บาลีวะยะถายถาวาปนะสัตยาโยปนะฮิโตโหติตท่าแตท่านางประชาชนทาี่ว่า ง, งั้นนี่เขาบอกว่าเธอตั้งกายไว้ด้วยประการอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดกายนั้นๆคํานี้เป็นคําประมวลียาบททุกอย่างเขาไว้ด้วยกันเก็แปลว่าอะไรต้องรอบรู้ทั้งหมดอธิบายยังไงกายของเธอสถิตก็คือตั้งเป็นยาบทอยู่แล้วเกิดจากวายโยธาต์และจิตจึงเรียกว่ากายของเธอสถิตตั้งอยู่ด้วยอาการอย่างใด ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าียาบทเนี่ยนะกายของเธอสถิตสถิตเนี่ยคําว่ากายของเธอสถิตเนี่ยก็แปลว่ารู ป, ปรกายรู ป, ปรขันเนี่ยตั้งอยู่ในียาบทอยู่แล้วเนี่ยถ้าตั้งอยู่ในียาบทไหนตั้งอยู่ในียาบทนั่งหรือตั้งอยู่ในียาบทยืนหรือนอนหรือเดินเกิด <The scene> จากอะไรเกิดจากวายธาตุและเกิดจากจิตจึงเรียกว่ากายของเธอสถิตตั้งอยู่แล้วโดยอาการใจใดเห็นไห กายของเธอตั้งอยู่โดยอาการใดๆแปลว่าหนึ่งกายนี้ตั้งอยู่ด้วยแยวดนั่งใช่ไหมวายโยธาบนี่นแหละเป็นปัจจัยการนั่งนะจิตที่คิดนี่นแหละเป็นปัจจัยการแกวาโยธาบนะเกิดจากปัจจัยประการใดๆเห็นว่าต้องให้รู้ปัจจัยด้วยแต่เนี้ยเธอก็รู้ชัดกายนั้นด้วยปัจจัยนั้นๆก็คือว่าให้รู้ปัจจัยของของการนั่งการยืนการเดินการนอนด้วยเพราะถ้าไม่รู้ปัจจัยของการยืนเดิๆๆๆนการเดินการนั่งการนอนเนี้ยสัตว์โลกก็เข้าใจผิด ใช่ไหมว่าการยืนเดินนั่งนอนยังไม่มีเหตุปัจจัยหรอกมันอยากจะยืนมันก็ยืนมันอยากจะเดินมันก็เดินมันอยากจะนั่งมันก็นั่งมันอยากจะนอนมันก็นอนใช่ไหมไม่รู้ชัดปัจจัยรู้ชัดกายที่สถิตอยู่โดยอาการที่ว่าเดินว่ากําลังเดินรู้ชัดกายที่ดํารงอยู่ในการที่ยืนว่ากําลังยืนรู้ชัดว่ากายที่ดํารงอยู่ในการนั่งว่ากําลังนั่งรู้ชัดว่ากายที่ดำรงอยู่ในการนอนว่ากำลังนอนด้วยปัจจัยอะไรเป็นต้นรอบรู้ทั้งหมดไหมรอบรู้ต้องทําอะไรตอนเนี้ ต้องทําปริญญาสามต้องทําปริญญาสามในพุทศาสนาพระเจ้าสอนปริญญาสามในอิยาบทเนียก็คือต้องทํายาตปริญญาตีระนปริญญาและประหาหนาปริญญาอาทํายาตปริญญาทํำยังไงหนึ่งรู้ว่ารูปประกายเนี่ยกระตเกายทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้เป็นรูปเนะยรูปประกายที่นั่งรู้ว่ากําลังนั่งเนยรูปประกายที่นอนว่ากําลังนอน รูปปกายที่กําลังเดินว่ากําลังเดินรูปปกายที่กําลังยืนว่ากําลังยืนนี่รูปกายทั้งหมดนี่เป็นรูปเป็นรูปธรรมใช่ไ้มกลุ่มนี้รูปธรรมเพราะบอกเป็นรูปธรรมเนี่ยเราอย่าไปสําคัญว่าเป็นสัตว์นะอย่าไปสําคัญว่าเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายนะแท้จริงอ่ะโดยสภาวะธรรมแล้วเขเป็นรูปธรรมเท่านั้นแหละทีนี้รู้ชัดอะไรกันวายโยธาตที่ทําให้รูปปกายนั้นทรงตัวอยู่ทรงกายอยู่ด้วยการนั่งยืนเดินนอนนั้นอันนี้ก็คือกลุ่มของรูปธรรมเห็นไหม ว่ารูปธรรมเหมือนการในตัววายโยธาทิมพัดผันไปในกัลยาจายต่างๆหรธาตุลมเนี่ยอันนี้ก็คือคือรูปธรรมแล้วก็รู้ชัดจิตจิตที่คิดจะนั่งจิตที่คิดจะนอนจิตที่คิดจะเดินจิตที่คิดจะยืนอันนี้เป็นกลุ่มของนมามธรรมฉะแยกออกแล้วว่าโอ้เนี่ยเป็นนามเป็นรูปที่เราเป็นสาคัญว่าเราเนี่ยแท้จริงในสองกลุ่มเนี่ยมันมีนามกับรูปอยู่ใช่ไหมนามส่วนหนึ่งเป็นรู ป, ปากายนามส่วนหนึ่งไ อ, อ, อส่วนหนึ่งเป็นรูปธรรม คือรูปกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยไอ้ส่วนวายวะธาตุก็เป็นกลุ่มของรูปธรรมที่มันพัดผันไปตาม อ, าอาวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยไอ้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของนามธรรมาพอสองส่วนเนี่ยมาอาศัยซึ่งกันและการเกิดขึ้นมาเป็นปัจจัยเกิดการและการเกิดขึ้นเนี่ยเราเลยเหมือนว่ามันมีพลังสามารถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนได้อีกในหนึ่งท่านเดี๋ยวต่อไปท่านจะออกมาท่านจะออกมานี้ว่าไปก่อนเลยนะ ในคำพีว์สุทธิมรักษ์นะต้องคําอื่นที่อื่นมาเชื่อมเขาจะอุปมาบอกว่ามีคนคนหนึ่งเป็นคนไหนเป็นคนตาบอดตาบอดแต่ว่าร่างกายส่วนอื่นดีหมดเลยแต่ตาบอดไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะตาตาเขาบอดแต่อีกคนหนึ่งนี่ยตาดีแต่เป็นเปี้ยเป็นง่อยมือเท้าใช้ไม่ได้ขาเป็นง่อยเดินไม่ได้ไอ้สองคนเนี่ยมาเจอกันขึ้นมาใช่ไหม ไอคนที่เป็นเปียเป็นง่อยขาดีเนี่ยนะเอเอาตาดีเนี่ยนะก็กอดออกอดคอไอคนตาบอดพร ก, กอดคอเสร็จปุ๊บ ก, ก็บอกเอ้ยเนี่ยจะไปจะไปวัดว่าไหมไปฟังธรรมหน่อยเอาละไอคนตาดีไอเป็นง่อยไอเดินไปไม่ได้ใช่ไหมก็บอกว่ามึงตาบอดมึงช่วยฟ้าพาไปฟังธรรมกันอทิตย์หน่อยที่ในข่าวก็เรียนสติปัฏฐามกันว่าไหนี่กอดคอแล้วฟ้าไปไปเขาใอย่าง ก็มาแล้วถ้าจะบอกให้ตาบอดมันมาอย่างเดียวมันมาไม่ถูกเพราะตามันบอดมันเดินไม่ถูกทํา็องอาศัยคนตาดีที่ขามันเสียกอดแล้วก็บอกว่าไปฟังทำหน่อยก็มาได้ฉันใดก็าอกไงกายเนี่ยกรัชกายทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับคนในขาดีตาบอดใช่ไหมนามมาทำเนี่ยไม่มีตาหรอกจิตเนี่ยมีตาทีนะ่ไหนมันก็ต้องอาศัยคนตาบอดเนี่ยมากอดคอยตาบอดก็ว่าวพอสองคนมารวมกันดูเหมือนจะไปที่นนที่นี่แต่ถ้าจับแยกอะทุกคนละภาพหมดเลย การวนวิการหมดเลยทั้งคู่เห็นไหมยังว่า่วคกันนามเนี่ยเพราะอาศัยกันเกิดขึ้นเราเลยสําคัญว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวหนึ่งน้านเนี่ยตระหนักใจเนี่ยเนอะเนอะพอเขามารวมกันขึ้นมาทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างมีการมาฟังธรรมถ้ามีการฟังธรรมก็น้าโน้โมนาวใจใช่ไหมเขายังรู้จักสํานึกว่าโอ้ยตาเขาก็บอดนะรู ป, ปรกายมีทําอะไรได้แล้วถ้าปราศจากนามมาทําไปแล้วนี่จะจบถ้าไม่มีจิตไปแล้วทําอะไรได้เนี่ย มีแต่จิตอย่างเดียวนอนนึกสิไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปได้ไหมไม่ได้ต้องไปทําบุญต้องไปเจริญกุศลต้องไปฟังธรรมจิตอย่างเดียวฟังได้เหนจิตมีหูมไหมต้องอาศัยผ่านทวาวรหูจิตถึงาาวาอาศัยถาวรหูเกิดได้ต้องอาศัยทวาวรตาเป็นต้นสองอย่างนี้มาเลื้อนหนุนมาประครับมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เลยทําจิตต่างๆได้ก็เลยสําคัญว่าเรายังอยู่อีกนานเป็นต้นจับแยกกันไม่มีอะไรเลย นี่เรายังไม่แยกใช่ไหมคนที่มีปัญญาทั้งหลายเขาแยกมีนามมาทำนะนนมีรูปธรรมนะเพราะสองอย่างนี้มาประชุมกันในปัญจโวกาลภพนี่ก็ดูเหมือนตามจิตต่างๆได้ท่านในพิจารณาลักษณะดนี้นคื อ, <c oughs> ค, อคือการตายใช่ไหมกา <c oughs> รตายก็คือทั้งรูปทั้งนามก็ดับดับหมด <c oughs> แต่ว่าปฏิสนทิก็เกิดสองนั้นเราต้องนึกว่าจิตเนี่ยเขาเกิดดับตลอดเวลาความคิดเนี่ยเร็วมากเขาเกิดดับตลอดเวลาทั้นเวลาเขาเกิด เขาตายพบจิตก็ปฏิสันที่ตอไม่ใช่วิ่งไปอย่างที่เราเข้าใจนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเหตุปัจจัยทําให้ปฏิสันที่ตอเหมือนนี้นะยอมนั่งอย่างเงี้ยยอมคิดถึงบ้านเนี่ยใช้เวลาถึงวินาทีไหมล่ะไม่ถึงเลยคิดได้ทันทีใช่ไหมเห็นไหมความเร็วของจิตเนี่ยจิตไม่ต้องมีรูปร่างจิตไม่ต้องอาศัยการเวลาเออไม่ต้องอาศัยว่ า, อ, าอะไรมาปิดบังก็ก็สามารถคิดกลับเข้าห้องเดิมก็ได้ใช่ไหมจ๊ะ อย่างเงี้ยห้องนอนเราคิดเข้าหาอะไรป๊อถึงทันทีเลยนั้นถามว่าคนตายแล้วเกิดไปไงไปอย่างนั้นนะปฏิสติสที่ทันทีเลยตายตรงนี้สามารถปฏิสติที่ในสวรรค์ได้ด้วยความเร็วของวิถีจิตเนี่ยหนึ่งรัดนิ้วมือเดียวเนี่ยแสนกอดมากกว่าแสนกอดครั้งไม่ต้องห่วงไม่มีไม่มีรวปร่างมีสันฐานไม่มีตัวตนเกิดดับเป็นเป็นมีน เ, ปนเป็นสภาวะเท่นานั้นเองในการเกิดดับทันทีที่ทําบุญกันเป็นพิธีการ อีงเเกิดไปแล้วถ้าตกนกก็เรียบร้อยไปแล้วถ้าขึ้นสวรรค์ก็เรียบร้อยไปแล้วถ้าเป็นมนุษย์ก็ปฏิทนที่ในคันของใครก็เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมารอไอที่มาทาพิธีว่าจัดส่งวิญญาณเป็นพิธีกรรม อ, อะไรนีอะไรชีวิตนี่ท่อกไปที่นีนเยๆกันอย่างนี้เขาว่าไม่รู้ด้วยจิงๆที่ที่มีขี้คุณสายสากักซึ่งถามว่าจิตกับกายเนี่ยกระจายกุ้ม ยังไงนะคือคือสไตล์คนที่อาจารย์ท่านบอกว่าสิตท่งจิตกับใายรวมกันเหมือนคนไหวกับอาจารหลอดอะไรเนี่ยนะอเป็นตัวส่วนควบกันแล้วเนี่ยไปไหนก็คิดจะไปทาอะไรก็ต้องไปด้วยกันไปฟังทำฟังอะไรใช่ไคะแต่ก็เลยมานึกถึงความจริงว่าตัวเรานี่คือจิตกับกายใช่ไคะถ้ากลัวว่าตัวตายไปปุ๊บรจะจิตที่ไปไหนพร้อมกันก็ตายไปพร้กันตายปบแต่ปฏิสันที่ทันที แต่การปฏิสันติก็ดังที่ได้กล่าวไว้นั่นแหละมันเร็วมากที่ปัญหาปัญหาจะอย่างนี้ยกตัวอย่างนะถ้าจะพูดถึงเรื่องกายเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าคนจะตายเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์ใกล้ตายเขาเรียกมรณาสนานการใช่ไหมอารมณ์ที่มาปรากฏในเวลาขณะที่ตายเี่เขาเรียกว่าไอ้มรณาสนานการหรือการใกล้ตายเนี่ยตอนนั้นก็จะมีพวกกรรมว่าอารมณ์กรรมอันี้มิตรอารมณ์หรือกตินิมิตอารมณ์ถ้าเป็นคตินิวิตอารมณ์นะเขาเรียกอารมณ์ที่จะมาไปมาปรากฏอย่างเช่นคนบางคนจะไปเปิดในสวรรค์เนี่ย นิมิตหรือคติเก่าคือที่ไปกล่าคือใน ท, ที่ที่ตรงนั้น่จะปรากฏให้คนนั้นเห็นเลยให้ท่านคนนั้นเห็นเลยสัมผัสได้ทางทางทางใจทางตาอะไรก็แล้วแต่คน อ, อื่นไม่เห็นแต่ทวยแดงเห็นไอ้ตรงนั้นเลยคือคติคือที่ไปใช่ไหมฉะนั้นพอไอ้จุติจิตพอมาบรณนาศนศันศนศนการการกระจายพรุเนี่ยจิตของท่านคนนั้นก็หน่วงแล้วหน่วงเอาที่ตรงนั้นเป็นอารมณ์เพราหน่วงเอาเป็นที่นั้นเป็นอารมณ์เบ็ดเสร็จพอจุติจิตป๊บเกิดที่นั้นทันที ถ้าเกิดที่นั้นปุ๊บนี่โตทันทีเลยเป็นกลุ่มเทวดานี่นะไม่ต้องรอเพราะ<ม>เชื่อเหมือนมนุษย์เรานี่แล้วไม่ใช่แล้วโตวขึ้นทันทีเดี๋ยวนั้นเลยปุ๊บขึ้นเลยไม่ต้องไปลอยวุดไม่ใช่อย่างไม่ใช่เลยเก็ทันทีเดี๋ยวนั้นในขณะนั้นนี่เป็นอย่างนี้นะนี่กลุ่มหนึ่งถ้าเป็นสัตว์นรกนิมีดกล่าวคือเปลวไฟวังกระ ท, ะทองแดงเมเจทอเหล่าเนี้นะหรือว่าสภาพของป่าเขาทึบหรือว่ามีควันไฟมีอะไรต่งตางๆมีนายนิยาบาล ต, ต่างๆปรากฏให้เห็นเลยตรงนั้นนะ่ะปรากฏเขาหเห็น เห็นชัดก็เป็นอารมณ์เป็นอารมณปัจจัยเป็นอารมณ์ให้กับจิตในขณะนั้นเนี่ยพอจุดตีจิตตับปุ๊บปัตยส่ที่ก็ยึดหน่วงนั้นเป็นอารมณ์หนึ่งทีแล้วก็เกิดในนรกทันทีก็ถูกทรมานเดียวนั้ น, นทันทีเลยไม่ต้องรอวันเวล า, ลว า, าใช่ใช่ใช่ก็ไ ม, ไ, ไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาที <c oughs> เป็นวิอะ่ะยังน้อยกวิเลยแล้วมัน <c oughs> เป็นเศษเซี่ยวของวินาทีความเร็วของจิตเร็วกว่านั้น ฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงที่เรามาทําบุญกันอะไรชั่วเพราว่ากันไปตามประเพณีเพื่อให้มีงานทํากันในการที่จะเจริญกุศลก็ว่ากันไปคนทำแต่สิ่งที่ดีดไว้เวลาตายจะไปทีนที่นี่ ท, นทีนี้ตรงเนี้ยต้งบอกว่าเวลาใกล้จะตายใช่ไหมบางคนเนี่ยตั้งหลักแลาจะคิดดีดีแต่กรรมมันไม่ให้ออพุทธกรรมเก่าบางทีเนี่ยมันปิดทําให้นึกดีไม่ได้อาพุทธกรรมแรงๆตั้งโตมาเลยก็ให้ให้เห็นอารมณ์ไม่ดี บางครั้งก็ทําให้คนที่อยู่ด้วยไม่รู้เรื่องก็พากันตก อ, อกตกใจร้องเสียงดังบ้างเปิดอะไรต่างๆร้งงองเออเอาไว้แล้วก็รับเสียงที่เขาตก อ, อกตกใจเขาไปไม่ดีนี่นี่แหละชีวิตเป็นอย่างนั้นแหละค่ะอาจารย์ยังสงสัยนิดนเห็นคนที่ใกล้จะตายเลยนะคะก็เห็นเห็นแบบเขาโคม่าไปแล้วนะคะโคม่าแล้วก่อน็ถ้าภาษาหมอเขาได้อแอร์เพิ่มเติมหายใจ อย่างเนี้ยอยู่เป็นวันนะนะคะแล้วไม่ทราบว่าตอนตอนนั้นน่ะจิตเข้าไปได้อย่างที่บางคนอยู่เป็นเดือนบางคนอยู่เป็นปีจที่จริงปกติจิตสภาวะจิตใจก็เกิดดับตลอดเวลาแต่ถามว่าตอนนั้นจิตจิตนี้ไม่เกิดเพรางแค่เป็นเรื่องเป็นเรื่องก็แต่ถามตอนนั้นะถามว่าเขาเบาไหมอ่อนแอไหมอ่อนแอคนตกน้ําดี๋ยวคนตกน้ําอ่ะแล้วก็แรงจะหมดแล้ว ถามบอกว่าถ้าขอนไม้ดีๆลอยมาเกาะไหมเกาะหรือไม่เกาะถ้าจะจบน้ําอ่ะเกาะใช่ไหมเอาขี่ควายแห้งๆลอยมาเกาะไหมเกาะหรือไม่เกาะใช่ไหมนั่นแหละถึงบอกอารมณ์ดีมาก็เกาะอารมณ์ที่ดีไม่ไม่มาก็เกาะเกาะหมดเพราะคนใกล้ตายคนหมดแรงนั่นคนใกล้ตายเปนี้มีฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเราเห็นผู้ใหญ่ ให้ให้น้เาเกลือให้ใต้ตายเนียใส่ใส่ไว้ใส่ใส่ไว้ทีในใี้ขณะนั้นเราคุยอะไรด้วยเี๋ยวก็ไม่รู้แล้วแต่ที่ภาหลังก็บอกว่าตายขึ้ามาแล้วแต่เราไปฟั้งกัอยู่เลยอันนี้มันมคือในทางด้านของกายภาพในทางด้านของรูปธรรมเนี่ยเรามาเครื่องวัดไม่ได้เพราะจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยทางจากขุทวารโซตัวานคานทวานคิวหาทวานกายยะทวานเ น, นี่ยตรงเนี้ยเขาอาจจะไม่สามารถรับรู้อะไรได้แต่ทางมโนทวานก็มีอยู่ ในการที่หาทะเยวัตถุกเขาพยายามมีกําลังพอสมควรอยู่ยังไม่เป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดสุขจิตและเสีสิกธิ์มโนทวารนุบิถีเข้าเกิดเขาสามารถรับรู้อารมณ์ต่างๆตรงนั้นนันอยู่ว่าตอนนั้นเขายึดอะไรอยู่เขาอยู่ในสภาพที่อ่อนแอถ้าเขายึดในอารมณ์ที่ไม่ดีเขาก็ปรุงแต่อารมณ์ที่ไม่ดีอยู่ในขณะนั้นคุณสอนลกรรมก็ให้ปวดใถ้าพายึดอารมณ์ที่ดี กุศลกรรมให้ก็มีโอกาสให้ผลก็สามารถทาให้เราเกิดในสิ่งที่ดีไปตนี้น เข้าปฐมฌานตุติยฌานตัดิยฌานมิตรจนจนถึงเข้านิโรธาสมาบัติออกจากนิโรธาสมาบัติก็ย้อนกลับเข้ามาฌาลําดับตอนนั้นพระเจ้าไม่พูดแล้วนิ่งไม่หายใจแล้วแต่พระนุรุทธะเข้าสมาบัติตรวจ ด, ดูอ๋อยังไม่ตายยังไม่ป ร, ริยนิพพานนะตอนนี้อยู่ในปฐมฌานทุติยฌานตัดิยฌานเจดุติฌา น, น, านตอนนี้เข้าออรูปฌานที่หนึ่งสองสามสี่ตอนนี้เข้านิโรธาสมาบัติเข้าโนบุภาวิหารเนี่ย โอตอนนี้อยู่ในนิโรธาสมาบัติตอนนั้นจิตเจสิกจิตกระชดับไม่หายใจแล้วไม่หายใจแล้วนิ่งอย่างเงี้ยแต่พระ อ, อนุรุทธะบอกว่าพระโรมศาสดาเข้านิโรธาสมาบัติอยู่ยังไม่ปริลิพาน ล, ลอกว่างั้นออกมาบอกให้กับไอ้ภิกษุ 700,000 รูปแล้วก็ประชาชนในในวันนั้นนะ่ยฟังพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีบาศกุบาจิกาฟังบอกตอนนี้พระโรมศาสดายังไม่เสด็จดับพันได้ประลิพานเนี่ยเห็นไหมเพราะมีสมาบัติจริงตรวจรู้กระแสจิต ต่อมาอ๋อตอนนี้พระเจ้าออกจากที่โรธาสมาบัติแล้วเข้าเนวสัญญานาสัญญายาชนะออกจากสัญญาเนวแล้วเข้าอาจินญัญาญาตนะออกจากอาจินเข้าวิญญาณัญญายาชนะออกจากวิญญาเข้าอาตาสารัญใจนะเข้าจตุธชาติญาชาติญาชาตทุติญาชาตปฐมชาตออกจากปฐมชาตแล้วย้อนเข้าปฐมชาติใหม่ทุติญาชาติญาชาเข้าจตุธาชาติพอออกจากจตุธาชาติพระองค์ก็ปุตติปุตต เสด็จับขันธพระบริณพานแผ่นดินก็สุไกลเนื้อดังหมดแล้วับไปแล้วไหมพระอนุทัานบอกว่าตอนนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันทพระบริณีพานแล้วร้องไห้คนที่เป็นปุถุชนก็ยังเป็คนเท้าขายร้องกันเลยานยเรื่องจริงนะคะพระพุทธทาสท่านโบราณท่านโยมในร่างหลช่ที่นี่เขาบอกไกลเนื้อดับไหมดแล้ว ใครบอกนะแต่ว่าวันนั้นลูกศิษย์แอบเอเ็มทนี่คนั้น็กทงก็ได้ฟงนี่เอาเข็มไปแทนเท่านวท่านยังไม่ดับีก็กายยังยันรู้สึกได้ิวายังไม่ดแต่ว่าลูกศิษย์น่ะแอบอเข็มไปแทนนีถ้าบอกคุณท่านบอกว่าลูกศิษย์ก็บอกว่าสัขาดแล้วาท่านาดะไม่โราคาอะไรทำไมยยันอยู่แต่ชิงนลูกศิษย์บอกว่าแอบเอเข็มแท่ท่านแล้วท่านแล้วท่านจะรุ ก็แสดงว่าตอนนั้นกายย่าประสาทยังทํางานกายยบิยานิตรวจอยู่ก็แค่นั้นเด็กแยังจิดว yeah ิจิตกระจายกระจายคนละเรื่องนะเอาเขาเปรียบพระพุทเจ้าไปได้คนละเรื่องนี่เป็นไปในรักขณะอย่างนี้นะตรงนี้ที่บอกว่ากายของเธอสถิตอยู่ก็รู้ชัดว่าปัจจัยอะไรยาบทวาโยธาและจิตเป็นต้นเหล่าเนี้ยนี่ยนะ ก็ก็ก็ดังที่ได้กล่าวทีนี้ในพูดถึงในเรื่องลมนี่นะธาตุลมเนี่ยมีอยู่หกชนิดที่เราจะต้องมาศึกษาตรงนี้นะบอกว่าลมที่คัดพัดขึ้นเบื้องบนใช่ไหมอันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่ใช่ลมที่เกี่ยวกับการเดินนะการยืนการนั่งการนอนนะลมที่พัดลงเบื้องต่ําทําให้ถายอุจจาระถายปัสสวาวะเป็นต้นนี่ทั้งลมพัดลงเบื้องต่ําถ้าลมพัดขึ้นเบื้องบนก็เป็นปัจจัยการเลอ ก, การพูดและก็ว่าไปลมในท้อง นี่อยู่ในท้องโดยเฉพาะลมในลำไส้เพราะในลำไส้ถึงเรามีลมนะถ้าไม่มีลมลำไส้ไม่พองมิตตัวเนี่ยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอันนี้เกี่ยวประการที่เกี่ยวคือลมพัดผันไปทั่วร่างกายเนี่ยระการนี้แหละแค้นวาโยธาตเนี่ยข้อหนึ่งทั้งสามถึงห้าเนี่ยเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่าลมในท้องลมในลำไส้ลมพัดผันไปตามกระดูกายตามตัวอันนี้เกิดจากสมุทฐานสี่ เกิดจากกรรมก็ได้เกิดจาจิตก็ได้เกิดจากอุตุก็ได้เกิดจากอาหารก็ได้ลมเนี่ยนะท่าลมทั้งหลายเนี่ยกิดจากรรมเกิดจาจิตเกิดจาอุตุเกิดจาอาหารบางคนเนี่ยนะกรรมมันเล่นงานมันก็มาทําให้ท่าลมแปรปรวนเมื่อท่าลมแปรปรวนก็ทําให้ชีวิตดับได้ตายได้ลมมันแน่นๆๆ่นแน่นแน่มาใช่ไหมหายใจไม่ออกตายเห็นไหมกรรมบางทีเกิดจาจิตเครียดจัดเครียดเครียดเคียดแล้วน็อกเห็นไหมจิตก็เป็นปัจจัยเกิดลมได้ เป่นตอนเนีย่ยเกิดจากอาหารโอ้อาหารบางอย่างกินเข้าไปโอ้ยลมแปรปวนมากเกิดจะอุตุบางคนได้อุจจตุไม่ดีห้าวอยู่นั้นแหละบางคนอากาศใช่ไหมเคยเป็นไหมบางคนได้ได้อาเจีนเย็นๆหน่อยวันนี้ฟังทำไม่รู้เรื่องแน่ใช่ไหมถึงบอกไปให้ปัจจัยไลมพัดขึ้นเบื้องบนลงพัดลง น, นัในเบื้องต่ําไป็น้นลงในท้องลมในลำไส้ไป็นต้นี่ แต่ลมพัดผันไปตามตัวเนี่ยมันเกิดจากกรรมก็ได้เกิดจากจิตก็ได้เกิดจากอุตุก็ได้เกิดจากอาหารในที่นี้ที่บอกว่าเป็นปัจจัยการยืนเดินนั่งนอนนั้นเอามีจิตเป็นส ม, มุทฐานแต่แต่รวมส ม, มุทฐานอื่นด้วยแต่ในที่เนี้ท่านเ น, น, เ น, น, เ น, นเน้นเน้นเอาจิตจากตัช ว, วาโยธาที่เกิดจากจิตนะแต่ถามว่าโดยการรอบรู้เนี่ยท่านให้รอบรู้ทั้งหมดไหมรอบรู้ทั้งหมดเช่นว่าจิตคิดจะเดินวาโยธ า, าก็พัดผันไปเนี่ยไม่ใช่เอาเตแต่จิตเป็นรูปเท่านั้นเดิน เอากรรมมาชื้อโรคเดินไปด้วยเอาอุตตูชโรปเดินไปด้วยเอา อ, เเอาหารเดินไปด้วยใช่ไม่ใช่ในขณะที่เดินไปเนี่ยไม่ใช่อาหารวางกองเข้าไปตรงนี้ไปในจิตเป็นชื้อโไม่ใช่ไปทั้งหมดนั่นแหละรัชกายทั้งหมดในการที่เดินไปด้วยในการนั่งในการนอนเป็นต้นฉะนั้นท่านจริงให้รอบรู้ว่าปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุเป็นปนมหาปุถุรุขที่ประชุมกันอยู่ต่างๆเหล่านี้ก็พัดผันไปตามอิยาบทแล้วก็เป็นปจัจจัยการยืนการเดินการนั่งการนอนเป็นต้นเหล่านี้ อันนั้น ก, ก็ต้องไปทำความเข้าใจในลักษณะนีะ้ตรงนีใ้ใครจะถามอะไรนะตอนนี้สี่โมงจะครึ่งแล้วนเนี่ย